ฟังตรงต่ออีกขอมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติธรรมเป็นอันเดียวกันท่านเคยลู้เราก็เคยลู้เหมือนกันท่านหลงเราเคยหลงเหมือนกัน การทุกเราเคยทุกเหมือนกันตัว โ, โลกหลองอะไรต่างๆมากมายโลกอย่างนั้นเยียกว่าสังขารโลกเราเคยท่องเที่ยวไปกับมันมาแล้วโอกาสโลกคือดินผ้าอากาศเราหนีไม่ได้โอกาสโล ก, นออากาเ น, กลกนี่ย ถ้าเราอยู่ในโลกแบบนี้ไม่เป็นโลกนันก็กลืนชีวิตเรากลืนชีวิตสัพพิชฌทั้งหลายโอกาสโลกเนี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรกนเห็นเม็ดดินเม็ดชายท่อนไม้ต่อทั้งชีวิตของสัพพิชฌโอกาสโลกกลืนกินชีวิตไป เป็นยักใหญ่จะให้มันเกินชีวิตเราหรือเราจะกลืนมันเราจะให้มันกลืนไม่ได้เราทำยังไงเราต้องมีหลักการปฏิบัติเรียกว่าอยู่ในโลกอย่างโลกไม่ทับถมเรามี เราใช่โอกาสไม่ใช่โอกาสใช่เราถ้าเขาจะเกิดถามว่อาอโอกาสโลกมันจะถามเราเพอเกิดมาทำไมเหมือนมันถามอยู่ชค่นั้นตลอดเวลาวันหนึ่งนาทีหนึ่งถ้าเราตอบไม่ได้มันก็ปืนลง ถ้าเราตอบได้เราก็กลืนโอกาสเราก็ใช้โอกาสนั่นเราจึงมีหลักการปฏิบัติอยู่ในโลกนี้อย่างสง่างาม <c oughs> ที่เราว่าสังขารโลกเพื่อให้ใช้โอกาสนี้เพื่อเอาชนะสังขารโลกไม่ให้โอกาสโลกกลืนจริน วันเขินล่วงไปล่วงไปเราทําอะไรอยู่วันคขินล่วงไปล่วงไปมันเป็นโอกาสโลกวันเขินล่วงไปล่วงไปเราทําอะไรให้เป็นประโยชน์เราหลงหรือเราลู่ถ้าเราลู่เราก็หลุกอยู่เหนือโลกรวมหลงทำไมเราอยู่เหนือ อะไรที่มันเกิดขึ้นที่เป็นสังขารโลกอยู่ได้ทั้งหมดเคยทุกข์ไม่ทุกข์เคยหลงไม่หลงเคยโกรธไม่โกรธเคยดีใจเสียใจเคยฉุกเคยทุกข์ไม่ฉุกไม่ทุกข์ไม่ดีใจไม่เสียใจอางนี้แปลว่าเรากินกินเวลาใช้เวลาเป็นประโยชน์นอกจากนั้นก็มีโลกอยู่ โลกรูปลูกโล ก, โล ก, โลกที่เรามีชีวิตอยูน่นี่อยู่ในโลกแห่งสองอย่างนั่นคือรูปโลกเราก็มีลกูกมีนามแลวก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วอง์ผลก็หนาวแสงเดือดก็ร้นในโลกนี้เราปฏิเสธไม่ได้ อะไรที่มันเกิดขึ้นในที่เป็นรูปลูกเราไม่รูปมันก็เจียวข้งองกับสิ่งอื่นเจียวเจอเจือตายโลกอห่งหนึ่งเรียกว่าอุปทายโรูปอุปทายารูปเนี่ยหยุดได้ให้มีแต่รูปลกูก อุปทาจะลกไม่มีหนดแลวก็เป็นจิริยาที่อยู่ในโลกเห็นสกว่าเห็นแสงแดด ก, ก็สักวาล่อนดอนฝนหนาวสักว่าหนาวไม่มีอุปทานจะลกูกอุปทาจะลกูกนี่สำคัญ บางทีก็ผูกเอาไว้ไม่รู้จักบางชีวิตไม่รู้จักผูกความโกรธไว้ผูกความล้อความชังไว้ผูกความสุขความทุกข์ไว้จากได้สุขทุกข์เพิ่งนี้หัวความทุกข์ทุกข์เพิ่งตามนั่นไม่รู้จักวิธีมันมีวิธีที่รักษาโดยภาคปฏิบัติผูกเที่ยวเด็กคนพบ ในโอปปทาจะลูกนี่เลือแเดือดรูปโูลกเรือดเดือหามหาพูตธลูกในกายิจนามาเป็นเครื่องอาศัยทาความดีอาศัยมหาพูตธลูกทาความดีได้สำเร็จถ้าเราไม่ลูกอย่างนี้ เร า, าอาศัยมหาพุทธลูบนี่ทําชั่ ว, วเคยใช่มหาพุทธลูบนี่ผิดพลาด ม, มากเท่าภาคของเขียวให้หลุดจากที่มามากเท่าไหรภาพคีวิตสัตว์เนีล่วงไปเท่าไหรเราไม่รู้โลกสองอย่างนีรูปสองอย่างเราไม่รู้ นึกว่าตัวตนทั้งหมดทำไมคนอื่นเดืดร้อนก็มีทำไมคนอื่นเป็นทุกข์ก็มีสิ่งอื่นเดืดร้อนก็มีเราลงมาเห็นอุบาตาจะรูปนี้มันก็เป็นประโยชน์มหาพุทธลูกใช่นี่ชร้างลูกด้วยมหาพุทธลูกมืฮะนิวสิบนิวนี้มีชีวิตอยู่นี่ บอกความเทศจความจริง k h าใช้ชีวิตในในขณะทุกวันนี้ตั้งแต่ลูกเรื่องนี้มาจะ khổ เดินตามถนนน้นทางไม่เบียดเบียนอะไรไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นจึงเห็นวัตถุเราะเราเห็นเช้าเตยอุปทานลูกชัดเจน เราเป็นเช่นไรในหลงให้เป็นหลงอยู่เช่นั้นหรือในทุกข์จะให้ทุกข์อยู่เชนั้นหรือในความโกรธจะให้เป็นความโกรธอยู่เช่นั้นหรือเป็นการโภคโภไม่รู้จัก ร, รักษาเหมือนเชื่อโลกนั้นหลงรู้สึกตัวรักษาโลกแห่งความหลงแล้วให้ยาแล้ว มันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกรักษาโลกให้ยาลงไปแล้วจักตวะพุทธละตะลังโอสัตถังอุตมังวัลังคุทะภาวะเห็นไม่เป็นรักษาแล้วง่ายง่ายอันอุปทัมภรูปรักษาได้โดยหลักการปฏิบัติถ้าเราไม่รู้หลักการปฏิบัติยากที่สุด ห่ามยากเป็นการยอมจนตายยอมโกจยอมทุกข์จนตายชีวิตของคนเน่ยไม่ค่าอะไรเราต้องรักษาโุ้ยสักตวาพุทธะตังสัคตวาธรรมตตะตังสัคตวาสังฆตังคือคุณธรรมที่มีอยู่ในชีวิตเรานี่ไม่ได้นี่แหละคือ เราทำที่นี่แหละมีความรู้สึกตัวเห็นอะไรเกิดขึ้นเห็นไม่เป็นเหนือโลกได้แล้วแม้จะเป็นสังขาร โ, โ, โ, โ, โลกก็อยู่เหนือโลกอุปเทนยรูปสังโอกาสโลกก็อยู่เหนือโลกสังขารโลกก็อยู่เหนือโลกมหาพุทธลูก็อยู่ในเหนือมหาพุทธลูก อุปทานยรูปเมื่ออุปทานยรูปไม่มีแล้วเหนือทุกอย่างเหนือทุกอย่างเื <c oughs> การเกิดเจ็บจะตายเลยเราจะต้องรักษาชีวิตนี้เป็นชีวิตมาให้ชีวิตของเราโดยเฉพาะเราไม่เคยชาช่เราใช่คนอื่นซะเป็นรับใช่จึงเงินซะ หับใช้ความโศกรับใช้ความทุกข์หับใช้ความโกรธความโลภความหนุงหลับใช้จิตเตะตัณหาลาคะครับไปบาดเบียดเบียนเสียเวลาเท่าไหร่เระมีประโยชน์อะไทุ ก, ทกเป็นยังไงโกรธเป็นอะไรโลกนั้นเป็นอุปทาลูกนั่นเป็นอุปทาจะลกูกไม่ใช่ลูกที่เป็นตัวจริง อุปทานเกิดที่ไหนมีแต่ทุกข์เท่านั้นการวางอุปทานน่มันไม่ยากไม่ให้ใครช่วยเหลือสิทธิล้อยเปอร์เซนง่ายๆมีสติรังบ่านราจึงมีโอกาสแล้วให้มันหลงแหละดีพระเจงพระชุกุเช้าก็หลงเหมือนกัน มันทุกันดีแล้วผู้เจ้าก็เห็นอย่างนี้งอหอนอนก็อะละไปเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแล้วเวลาเราปฏิบัติมันเกิดความงอหนอนหมกุนคุนคิดหลังเลยสงสัยนั่นละไปทานเดียวกันแล้วเราจำเป็นเวลาเราปฏิบัติมีเยอะแยะวิธีการที่จะสลับ เรื่องสิ่งเหล่านั้นให้ออกไปจากเรากระโดดได้ตรงนั้นคนเก๋ ก, ก้มีความเพียรมีพลังถลาได้ตรงนั้นถ้าคนไม่เก๋ ก, ก็ไม่มีกำลังไม่มีความเพียรยอมอลไรกักขังนด้วงมมงุ่งหงายนอนควา ม, มเลนืย่ยสงัยความคิดฟุ้งซ่านกักขั ง, ขงชีวิตเราได้ยอมอยนนู่นั่น ไงไม่ได้เป็นด้านกักชุบก็กับทุกก็กัก โ, กโกรธโลภหลงกักขังไว้จนแก่ข้าอมรักความชังโกโรธโลภหลงกักขังมาอยู่ก็โดดได้ถึงสุดยอดอาจจะไกลกว่าสร้างหาพลังเป็นมหาพลังมหาสติเป็นมหาพลัง พยายามพิสให้ดีๆพิดไว้ซ่องไว้ลู่ไปในการอยู่เป็นประจำเหมือนป้มปาการดังที่พูดไปแล้วบ้อปาการลู่อยู่ไปในการไปอะไรมาลู่ฉันยิงไปเลยเปลี่ยนเป็นลู่ไปเลยเป็น สักตะวะพุทธะตะลังทั้งแก้ทั้งไขทั้งป้องกันทั้งสร้างสอนในคราวเดียวกันเป็นทั้งศิลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งและความชั่วเปทั้งทำความเบรเป็นทั้งทำกิจให้บริสุทธิ์ง่ายๆสะดวกสะอาด สงบนันงสงบตอนนั้นวอนที่พระพุทธเจ้าได้ตัดพาชิตนี้ว่าสุขอื่นยิกว่าความสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงไปตัดพาชิตพุทธภาชิตอันนี้ออกมาตัดตรงไหนไม่ใช่ไปตัดนั่งสงบอยู่นะไปตัดตอนตันหนาหลาค้คา กรรมตัณหาภวะตัณหาหลาักะตัณหามาทำเป็นรูปดังงามทั้งสามเยอะแยะเยแล้วองเลยมองตรวมข้ามมาติสันติพลังสุขขังสุขโกิดยิ่งกวัวความชอบไม่ตัดในข่าวนั้นตัดในข่าวที่มันปรุงมันจุดปรุง เหมือนอาจารย์พุทธทาสเพื่อนกันพุทธทาสในสมัยเป็นพระนมก็มาย่อยนะอาจจะเป็นรูปขําประมาณนี้การูปขําประมาณนี้การูปเป็นไผ่บ้ามีคนลิกคนชอบเจ้าแจ เพื่อนมาถามมาท่านเทพธิดาไม่มาผ่านบ้างเลยไม่มาลบกวนเลยเห็นมาลบกวันอยู่นี่หลายๆทุกคนไม่ข้องหูข้องตาเลยเทพธิดาบุธชาติจารย์พระธา ต, ตุว่าเทพธิดาในมนุษย์ เรามีเทพธิดาแปด0มืนีพันนางเทพธิดาในมืองมนุษย์มันเกิดมันแจมันเจ็บมันตายเรามีเทพธิดาในธรรมะแปด0มืนสีพันนางเราไม่หลงในเทพธิดาส่วนนั้นอาคมว่าแปดมื่น0ี0พันนางก็คือพระไตรปิฎกมีทุกอย่าง หายความหลงมาเป็นความไม่หลงในตัณหามาเป็นความไม่มีตัณหาราคะตัสะสงบที่นั่นนี่คือศีลหมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยมันกระโดดได้ตัวนั้นมันจึงได้รั่วทาได้แล้วทําได้แล้วหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นแล้วทําได้ทําไ ด, ได้รักษาได้แล้วรักษาได้แล้วแก้ได้แล้วหยุดพุ่งแล้วสังขาร เปลี่ยนไปวิสังขารแล้วมาล่เป็นดีแล้วมาผิดเป็นถูกแล้ว <Yeah. S 1> เนี่ยเขารู้จักรักษาอะไรปล่อยทิ้งหน้าดำคำเฉียดหลงงบคน ค, คิดยากก็ยากเช่นนั้นง่ายก็ง่ายเช่นนั้นสติมันจะเหนือนะไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ผิดไม่ใช่ถูก มันจะเห็นมันจะเนื้อเหนือนั่นแหะคือมันสะดวกมันมีความสะดวกสุขปฏิปทาหลุดพ้นง่ายๆทุกขปฏิปทาหลุดพ้นได้ยากทาไม่เป็นทําไม่เป็ น, เ, ปนเอาผิดเป็นผิดให้ถูกเป็นถูก ถ้าว่าทำไม่เป็ น, เ, ปนเห็นมันผิดเห็นมันถู ก, ถกนี่ถ้าว่าทำเป็นหลักการปฏิบัติเป็นอย่างนี้แม่แต่เขารักษาโลกเขาก็ยังทําให้ตนเองได้รักษาโลกด้วยตนเองฉายธรรมะหลังสีให้ตนเองในช่วงที่หลองตาไปกินไปอยู่เมืองเชียงให้หนาว ศูนลบสิบลบสี่ลบหนะ้าสุขภาพไม่ดีมากๆตอนนั้นเนะกืบจะตายอยู่บ้านเขาเขามารักษาให้โดยธรรมชาติบำบัดให้หลวงตานอนอยู่แล้วก็มานั่งอยู่ใต้ข้างข้างเตียง <ffe> <LEGO> แล้วก็บอกให้แบมือลู้อศึกหายใจเข้าแบมือออกหอยใจเข้ากำมือให้มีสติหอยใจออกแบมือออกหอยใจเข้ากำมือให้มีสติแล้วก็มีหลอดไฟเต็มบน ผิหนังอยู่บนหัวเต็มไปหมดไหลโดดไฟสีเขียวเต็มพื้นที่หลอดไฟสีเขียวไหลลงมาตามผิวหนังทุกส่วนทุกที่ <c oughs> ไหลลงไปวิ่งอยู่ตรง น, นั้น <c oughs> ไหลลงไปที่ตามลงไปตามไ ป, ต, มไปต้นคอหน้าอกมันเอวเต่าโคกต้นขา ปลายเท่าไปมือนู่นลอยลงไปหลอยลงไปเมื่อถึงปลายมือมือล้อนลเมื่อถึงปลายเท่าปลายเท่าก็ล้นล้นุดออกไปรักษาโลกแตวรักษาแล้วรักษาแล้วหายแล้วต่อไปกับผิวหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกมือใจตับไตปอด หมดทุกอย่างหมดแล้วรักษาัวแล้วทำทุกวันทำทุกวันแล้วก็มีเครื่องวัดให้เขาจ่ายังสีทำหลังสีืนสนานทำลงก็ได้ทำเล่นๆอย่านอนเล่นเฉยมีสตินะไม่ใช่ทำเล่นนะมีสติจริงๆขี้ลงไปขี้ลงไปรักษาตัวเอง มีสติยิ่งดีใหญ่แลแเราก็เพิ่มสติเข้าไปเป็นสกัตวาพุทธฐตระนั่งทั้งอุบทายรลูกทั้งสังขารลูกมหาพุทธลูกรอดผิดอยู่เลยมหาพุทธลูกทั้งสังขารลูกโดยรักษาแบบนี้มหาพุทธลูกคือลูกว่าใจท่าจีกันท่าจี สังขานอุปทานยิ่งรูปนับถึงแต่ขันห้าที่อุปทานเป็นจบทุกข้ามีสติรักษาได้ทั้งสองอย่างลูกที่เป็นโลกของอุปทานหายลูกที่เป็นมหาพุทธลูกอาจจะหายได้ทั้งสองลูกนี่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่าด่วนไปรับอย่าด่วนปฏิเสธมีสติ ไช้เน่ยเป็นวงจรชีวิตทั้งหมดนะ <c oughs> ไม่ใช่ธรรมดาเรามายกมือสร้างจังหวะรููจิกตัวรูดจิกตัวอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กเล็ ก, ลกน้อยน้อยมันผ่านอะไรมากว่าที่มายกมือสร้างสติมันผ่านอะไรมาแล้วยัง จะต้องปฏิบัติบางทีมันยังไม่ผ่านมามันยังติดอะไรมาวิญญาณติดอะไรมามันไปทางไหนบ้างกลับมาสอนมันให้มาลูสึกตัวให้มาลู่ฉกตัวมันผิดสอนใหมันถูกมันจะถูกต่อเมื่อมันผิดสิ่งที่เหมือนผิดมันเป็นเหตุให้เกิดความถูกอย่าเอามาอย่าเอาผิดมาเป็นผิด ย า, ยากมันเป็นยากปฏิบัติธรรมนั้นเป็นจินตปะเป็นเครื่องทุน่นแรงเป็นของยากให้เป็นของง่ายของหนักให้เป็นของเบาใครจะติดอะไรมาก็ต <c oughs> ามมีสติปัรฐานดูศึกระลึกได้เข้าไปซะเราก็มีสติจูนในกายเป็นประจํา เฝ้าอยู่แล้วมีกายเมื่อ ด, ดูกายก็เห็นจิตที่มันคิดเห็นความคิดก็เห็นทุกอย่างที่มันเกิดจากความคิดเป็นใหญ่มาทางนี้มันก็ดูกายก็ยังเห็นจิตเมื่อเห็นความคิดก็เห็นธรรมความคิดที่เกิดเป็นธรรมเป็นกุศลมีมากมายเกือบจะทั้งหมด ข่มร้ายก็เลยเป็นอกุศลข่มดีก็เป็นกุศลอย่าติดมันทั้งสองอย่างงานสุเกิดจากความคิดงันทุกเกิดจากความคิดเราก็มีกายเป็นที่ตั้งกลับมาอย่าเพิ่งไปเล่นงานกับความคิดแต่มันเป็นการเป็นเป็นการชัก ชักสะพานไม่ให้ไม่ให้เที่ยวเวลามาันมาทางกิดเรากลับมาลู่ชักสะพานออกมาลู่จากที่กายไม่ไปเล่นกับกิดเป็นสุขเป็นทุกข์พวกกิจมันจะยุ่งยากหัดไปมาชักสะพานออกกลับมาลู่ที่กายเคลื่อนไหวมันก็ง่ายไม่ใช่ไปห้ามมันก็ยอยากคิดมันก็คิดไม่ใช่แบบท่านกลับมา รู้สักตัวอยาไปยุ่งกับมันความคิดหนห่นทิ้งท้ายมันเลยต่อไปมันจะเป็นไปเองมันก็ไปสอนจิตนั่นหะมาดูที่กายมันก็สอนจิตแล้วซักสะพานออกจากอิดอย่าไปคิดเร่องนั้นมาลู่เรื่องกายตัวคิดที่มันคิดเรื่องสุกเรื่องทุกมันกลับมาที่กายแล้วสะพานชักออกแล้ว แล้ว่าบอกเคืนก็รว่าไม่ไม่มีที่ให้ตั้งจะให้อะไรมาตั้งในจิตที่ให้เป็นสุขเทุกข์ไม่มีลกลับมารู้ที่กายไปยนี่คือหลักการปฏิบัติมันมีสมุนแบบที่สุดเลยพระเจ้าจึงแน่นอนที่สุดเลยไม่มีเป็นทางหลายเลขหนึ่งเป็นทางเส้นเดียวจนตัดออกจากนี่แนละ้วสี่ปฐฐานสูตรเป็นทาง เอกเป็นทางเส้นเดียวเป็นทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่เดียวเป็นทางที่เดินได้คนเดียวถึงที่เดียวกันเนี่ยมเป็นอย่างนี้วิถปฏิบัติก็สมมูลแบบถ้าเรานั่งอยู่ยกมือเคลื่อนไหวรู้สึกตัวใช่ได้แล้วไม่มีอะไรที่บกพร่องเดินอยู่มันก้าวไปมันรู้ใช่ได้แล้ว ยาลู้ที่หายใช่เข้ารู้สึกเออนี่ใช่ได้แล้วอายจรู้สึกใช่ได้แล้วแบิดต่รู้สึกเกินน้ำลอยรู้สึกกระดิกนิ้วรู้สึกใช่ได้แล้วสม บ, บรูรณ์แบบมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสร้างให้งอกแหงามขึ้นมาอย่าสละอสิทอย่ า, าไปใช่อย่างอืน่นเราใช้อย่างอื่นมามากแล้วเป็นรับใช้อย่างอื่นมามากแล้วใช่ผิ ด, ผด มันก็ต้องเกิดเจ็บเจ็บตายหลงจนตายโควจนตายทุกจนตายเรื่อยไปไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าถ้าเรามาศึกษาตรงนี้เป็นการตัดเป็นตัดกรรมเป็นการสร้างฐานชีวิตตัดเป็นตัดกรรมอย่างไรเราท่องเที่ยวที่ไหน เคยกินเรื่องใดกายของเราเคยกินเรื่องไหนใจของเรามันเคยไปทางไหนมาถึงที่นี่หรือเปล่ามันยังไม่มาด้วยก็มีมันยังหลอยู่ที่นู้นคล้องอยู่ที่นู้นกายเคยกินอะไรเคยกินเหล้าชุปูลีกายเคยเที่ยวเตะเละหอดกายคันเคยตามจับภาพอาการของมัน เมื่อเมืออยู่ที่มันตามมาด้วยให้มารู้ที่นี่มันไม่รู้เป็นซากเป็นดุนเฉยๆเชื่โมงหนึ่งมันรู้สึกตัวที่กายไหมสิบสี่ชั่ววนาทีแล้วรู้รู้หรือเปล่ากายมันเคยกินไหมเคยหัดให้มันรู้ไหมมันใช่อะไรกายนะ เดินจงกรมชั่วโมงหนึ่งอาจาจะได้จังหายพันเก้าลูทุกเก้าไหมมันไม่เคยเข็ดจึงมาฝึกต้นโสนต้นฝึกตนโสนต้นเตือ น, นตนแก้ไขตนมีจิตจะอยู่เป็นฉุกนะพียรุกต้องหลยหยพระเจ้าตรัสรี้ พิสุทธิ์ทั้งหลายจงเธอจงฝึกตนสอนตนแย้ไเหตนเดงเธอจงมีสติจะอยู่เป็นสุขนี่สุขคืออะไรสุขคือไม่ปรุงไม่ใช่สุกกอไก่สุกกอไก่สุกเผาสุกไม่สุกขอไข่สุขไม่ปรุงไม่แต่งสุขไม่มีอะไรมันก็เรียสุกกันชีวิตของเราจึง ถ้าไม่หาดตนฉนตนมันก็ไม่ประเสริฐยิ่งเร็วกว่าสัตว์อื่นนะถ้าทอมชั่วก็ไบ้างถ้าเราไม่เพิกตนถ้าเราเพิ ก, ก็ทอมดีได้มากกว่าสัตว์อื่น เป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติจุดหมายปลายทางล้วก็เห็นหมดน่าจะเห็นหมดน่าจะผ่านผ่านใดบ้างผ่านความหลงเป็นความรู้บ้างไหมมีไหมความหลงผ่านไปเรื่อยเอาความหลงไว้หลังหรือเอาความหลงไว้ข้างหน้าได้ผ่านความหลงเป็นยังไงถูกต้องหรือผิดพลาด ในความหลงกับความไม่หลงอะไรถูกต้องอะไรเป็นธรรมผ่านแล้วในความโกรธกับความไม่โกรธยอมผ่าตูเป็นยังไงในความโกรธเป็นธรรมไหมในความไม่โกรธเป็นธรรมไหมในความทุกข์กับความไม่ทุกข์ในความทุกข์เป็นธรรมไหมในความไม่ทุกข์เป็นธรรมไหมน่าจะผ่านได้ง่ายๆ เป็นอุคติตัณยู่บุคคลมือนปัวผู้น้าได้รับแสงอาทิตย์ได้เห็นความหลงเห็นความไม่หลงเงอนอุคติตันอยู่บุคคลบานได้ตรงหนึ่งบานตรงที่หลงไม่หลงบานได้ตรงที่ทุกข์ไม่ทุกข์บานได้ตรงที่อะไรต่างๆจนถึงบานถึง เกิดจ็เจ็บตายไม่เกิดไม่เจ็บไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายไม่มีอะไรบานทางจิตใจมันไม่เหมือนบานลราเหี่ยวเศร้ามันก็ดอกมากจังเหนือการเกิดเจ็บเจบตายปฏิบัติธรรมแล้วมีความเชื่อมั่นในการตัดสู้ของพระเจ้ามากที่สุดเราไม่เชื่อมั่นในหลักธรรมที่ทำไหม เกิดเป็นพระเจ้ามากที่สุดธรรมที่ทําให้เกิดเป็นพระเจ้าพระพเจ้าทั้งหลายคา ร, บรุรบพัรม์คารุสติสมปัญญาคารกุกการละความชั่วทำความดีคารุบการทําจิตให้บริสุทธิ์มันเป็นส่วนตัวของใครของมันช่วยกันไม่ได้ทำจิตให้บริสุทธิ์ เคารพศีลเคารพสมาธิเคารพปัญญาเมื่อมีผู้ใดแสดงธรมมง ร, นนร ม, ม, มพระเจ้าจะนั่งประเมมือฟังสาริบุตแสดงธรรมพระองค์คนนั่งปฐมเมือฟังโมคันลานะแสดงธรรมพระพเจ้าก็นั่งปฐมเมือฟังเคารพพระธรรมที่เมื่อในคนเคารพพระธรรมอยู่ในปัญ สารบ anyway, ีบทขลบธรรมที่อยู่ในโมกขันลาขลบธรรมที่อยู่ในอาโนนขลบธรรมที่อยู่ในอรุุทะหลายหลายชีวิตรพลบธรรมที่อยู่ในพ่อแม่คขลพธรรมที่ไม่โลกเต้าขลพธรรมอยู่ในปัญญาสามีขลพธรรมที่อยู่ในถัวอาจารย์ขลบธรรมที่อยู่ในทุกชีวิต ถ้ามีพระธรรมหน้าเขารบมากเพราะคนคนนั้นเขาไม่เปลี่ยนเขาเขาไม่เปลี่ยนคนเดินเพิ่งพาเสตเราลบพธรรมยีท่ทม่ในเราเพรอให้เราไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไ, ไม่ตายเราเชื่ออย่างนี้มากที่สุดเราเชื่ออย่างนี้มากที่สุดมาได้ยินได้ฟังอันนี้ปฏิบัติลองดูให้ได้ยินได้ฟัง ให้ได้มาปฏิบัติลองดูถ้าไม่มีใครกล่าวสัจธรรมไม่มีใครมาฟังมันก็หมดเท่านั้นลระด่วนนะเรื่องนี้นะเราเคยด่วนเรื่องนี้มาเราไม่ร็จารตอพระศาสถนาเราเป็นกระวาดญาติโยมเ่พยายามมีศีลไม่ทำไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมแต่เราเห็นนักปวด ยังผิดสินผิดธรรมไม่รู้ว่าเราจังเรื่อยเรด่วนอะไรหนอไม่มีใครกก่าวทมหรือที่พระเจ้าได้สั่งสอนไม่มีใครสอนกันหรือพระสงฆ์กิ่เป็นอย่างนี้นาชิ ด, ดแสวงหาขวบาหายจย์แล้วก็ได้ศึกษาปฏิบัติอยู่แล้วมันจะมีศินกว่พระด้วยซำเปบน ทำไมจึงวยอย่างนี้ล่ะในตอนที่เราเป็นคราวญานะควายแบ่เข้าคอกตอน เ, นเนอยืนๆมันวปพบครับแล้ววิ่งโลทุ่นนาไปหาควายมันอยู่ตรงไหนมันทําไมไม่เข้าคอกควายเป็นฝึกให้มันเข้าคอกทุกวนันไม่ต้องไปต้อนมันมาวันนั้นมันไม่เข้าคอกาจจะมีคนต้อนมันไป ไปเห็นอยู่ในป่าเราคนอาจจะท่อนไปเพื่อเป็นขโมยไปเราวิ่งลงทุนน่นาเห็นผ้าจีวรเหลืองๆ อ, อยู่ขอบสัตรูวิ่งไปดูผ้าเหลืองอะไรอยู่เลยไปดูขอบไปอยู่ในศัตรูเห็นพระจับป่ากันอยู่ในศัรูดูข้างขอบสัรูเห็นป่าช่อนตัวใหญ่เท่านี้วิ่งคุลกรลาศ วิ่งเราก็ไม่กล้าดูแชดวัตเป็นพระไก่เขาไม่อายเอาแต่เราอายเขานนหน่าหนาที่เก็บใจมากเรากล่วกาวประวยัยพระสงฆ์ทำไมเป็นอย่างนี้อืทำไมเป็นอย่างนี้เราจะอาศัยที่ไหน <c oughs> อะไรคือพระพุทธเจ้าอะไรคือพระธรรมอะไรคือพระสงฆ์นนหน่าหนาตั้งแต่วันนั้นเราเขาเป็นฆราวาสก็ไม่เคยผิดศีลผิดธรรมเลย แจ้งชวนหาครูอาจารย์ในราบหลวงพ่อเทียนนี่สอนให้รู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์รู้จักบุญจักบาปจักมักจักผลอดไม่หล่นทนมาได้แล้วเป็นเป็นเหตุ ท, ที่ทำให้เรารีบที่สุดเลยอูก็จะไม่มีใครบอกใครสอนกงินนอกจากศึกษาเรื่องนี้ให้มันเข้าใจาแล้วก็มีครูอาจารย์ สะพอนอยู่อย่างนี้เราจะเป็นการรีบด่วนนะอะไรๆก็เพื่อการรีบสติทท้งนั้นไปใหม่ๆนะเวลาปฏิบัติก็เอาพระเป็นเพื่อนไม่ได้พระก็ไม่ค่อยดีมีหลวงพ่อเทียนลูกเดียวเราก็เชื่อมัน่นมียมเจเ จ, เ, จเป็นเพื่อน เวลาพระมาฉันตอนเช้าเราก็ไม่ได้หยุ่งกับพระกัฉันปฏิบัติกับผู้เท่าเราเป็นคนหนุ่มเวลาพระฉันเจ็ดแม่คีก็ตีละครั้งแป้งแป้ง น, น, น่าชวนกบมาฉันนักข้วเขาก็จัดอาชนะวางไว้บนศาลาเอาอะไรคว่ไมไว้ แต่ละครั้งเราก็ลงหนีไปเป็นเศษทหารของพระที่ฉันไม่หมดเราได้อยู่ได้ฉันบ้างได้เหมือนเราเวลานี่นะต้องรับเศษพระเหลือเท่าไหร่จึงได้ฉันั้งทีมีน้ำพริกด้วยเดียวสองถ้วยเอาน้ำในกาเทลงใส่ปรุง ย้นมันเพี้ยนนะก็ตื่นหรือรุนมีสติมันก็เป็นกรอบเป็นกำเข้นมามันได้เปลี่ยนหลงเป็นรูนี่มันพอใจมากเปลี่ยนเลตั้หาเป็นพวมรูนี่มันพอใจเปลี่ยนทุกเป็นรูเปลี่ยนอะไรเป็นภาวะที่รูนี่มึงมันสุดหัวใจจริงๆนะมันจึงได้หาโอกาสที่มาเนั่งสู้กับมันเรื่องนี้ลงตัวชื่อ วิธีใดที่จะให้มีสติขวนขวยเพืแ่อบบจะยิงกับสิ่งเหล่านี้นะมันมาเถอะออะไรกันมาคิดถึงลูกถึงเมียกบใช่ไหมเป็นอย่างนี้นะก็แสดงทุกกรณีเนะมันคิดองไรเกิดจากความคิ ด, คดมาเถอะอเกิดจากกายที่ไม่ใช่สติามาะอะไรมาก็มา มาสู่ที่กาเราจะมีสตินั้นมาทางใจเราก็มีสติมาทางตาทางหูเรากมีสติยอดเยี่ยมเลยนี่คือชัดธจรทรปฏิบัติธรรมสมควรเจริญเวลากพะพะเข้ากัน